วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้คือภิกษุุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยค ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอปริวาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่าง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 เพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่กระผมกระผมนั้นกาลังประพฤตมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกัวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษ ini, e, ange, ika, uka, votes, ุอ <im> un ุทายีนี même, ้ต้องอาบัต like ิหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาห5วันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาห5วันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิ ปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทาญีแล้วภิกษุอุทาญีนั้นกำลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทาญีนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่าง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 ขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงได้ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตธิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรี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 สันเจตานิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุทายีนั้นขอปริว่าดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจ er. ตานิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจ er. ตานิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิษุอุทายีแล้ว ภิกษุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสง์ส่์ได้ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิม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 สันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัต э ิเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ